เห็นทายกสแวลพิรุธออกมาชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกข้องใจและคิดไปว่าการตายของบิดาจะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแฝงอยู่ท่านพระครูก็พอจะดูออกว่าถ้าทางทายกมีรับลมคมในยอย่างไรพิกลจึงพูดขึ้นว่าโยมพอจะรู้สาเหตุบ้างไหมเห็นว่าท่านไม่ได้อาพาธเจ็บป่วยมา ก, ก่อน อยู่ๆก็มรณะภาพมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะนั่นสิครับลุงบอกผมมาเถอว่าไอ้หน้าไหนมันทำให้หลวงพ่อผมต้องตายผมจะไม่ไว้ชีวิตมันเลยชายหนุ่มพูดอย่างเกลี้ยวกราดใจเย็นๆ น, นะพ่อหน่มลุงเองก็ข้องใจอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าท่านสมพานต้องจากไปเพราะฝีมือใครกันแน่ แต่ลุงยืนยันได้ว่าไม่ใช่เป็นการฆาตากรรมเพราะไม่มีใครเกรดชังท่านสมพันธ์ท่านสร้างความเจริญให้กับวัดพวกเราเคารพนับถือท่านมากไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะจากไปเร็วอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะเพราะอะไรลุงบอกมาเร็วๆเถอะผมอยากรู้เขาเร่งเราทายกเกิดอาการลังเลไม่รู้ว่าจะบอกดีหรือไม่ ตัวเขาก็มีความกลัวลึกๆซ่อนอยู่ในใจอีกประการหนึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าการตายของสมภารเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขากลัวนี้หรือไม่เมื่อตัดสินใจไม่ถูกจึงปรึกษาท่านพระครูท่านครับผมไม่ทราบว่าจะเล่าดีหรือไม่เล่าดีเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจจะเล่าก็กลัวตายครั้นจะไม่เล่า มันก็คงใจสงสัยอยู่อย่างนี้ท่านช่วยผมตัดสินใจด้วยว่าควรเล่าหรือไม่ควรเล่าถ้าทางจะเป็นเรื่องสำคัญนะอาตมาว่าคุยกันตรงนี้คงจะไม่เหมาะไปคุยกันที่กุฏิสมภานดีไหมท่านเสนอแนะดีครับผมถือโอกาสนิมนท่านพักผ่อนด้วย ยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาสวดพระอภิธรรมเขานิมนต์และพาท่านเดินไปยังกุฏิสมพนันธุนายสมฤทธิ์เดินตามไปด้วยอยากจะรู้นายอู่รออยู่ข้างล่างเห็นท่านพระครูลงมาก็ดีใจคิดว่าท่านจะกลับจึงเข้ามาถามหลวงพ่อจะกลับแล้วหรือครับยังหรอกโยม ต้องรอให้สวดพระอภิธรรมเสร็จก่อนคิดว่าคงไม่เกินสองทุ่มท่านตอบไม่ดึกไปหรือครับอีกอย่างทางก็ไม่ดีผมคงขับรถลำบากกว่าตอนมาน่าจะกลับให้เร็วขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งเขาต่อรองคงไม่เหมาะเอาเถอะอาตมารับรองว่า โยมจะไม่ลำบากเหมือนตอนขามาขอให้ตั้งใจขับรถแล้วอย่าทะเลาะกันแล้วอาจตามมาจะเอาใจช่วยให้ถึงเร็วๆท่านคิดว่าจะต้องพึ่งพาขาัายนระยะทางอีกครั้งเจินโชฟเฟอร์พักผ่อนตามสบายนะถ้าหิวก็ไปหาข้าวกินที่โรงครัวได้เลยคิดว่าคนกันเองก็แล้วกัน ทายกบอกในอูพยายามไม่ให้เขาตามมาที่กุฏิเพราะไม่ต้องการให้มารับรู้เรื่องที่กำลังจะถูกเปิดเผยเขามานั่งในกุฏิเรียบร้อยแล้วทายกจึงเข้าไปห้องสมภารตุแล้วนำของสิ่งหนึ่งออกมาถวายท่านพระครูพูดออกตัวว่าผมไม่แน่ใจว่าจะใช่สิ่งนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้ท่านสมภาร รณภาพท่านพระครูมองสิ่งนี้ที่ห่อหุ้มด้วยผ้าขาววางอยู่ในผานทองเหลืองท่านลองเปิดดูสิครับท่านสมพานสั่งผมไว้ว่าถ้าเกิดท่านมรณภาพขอให้นําสิ่งนี้ไปมอบให้ลูกชายของท่านที่สมพานวัดป่ามะม่วงอุปการะไว้เขาบอกความตามที่สมพานตุสั่งเสียไว้ อะไรอยู่ในนั้นหรือลุงหลวงพ่อฝากอะไรไว้ให้ผมนายสำริตถามอย่างตื่นเต้นเขาคิดว่าคงจะเป็นสิ่งของล้ำค่าที่บิดาหวงแหนและตั้งใจเก็บไว้ให้บุตรสุดที่รักผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเพราะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนท่านพระครูเปิดดูสิครับ ภิกษุมัชิมวัยจึงคลี่ผ้าขาวออกสิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้ท่านอุทานออกมาว่านารีผลอะไรนะครับทายกและนายสำริตถามขึ้นพร้อมกันท่านพระครูไม่ตอบหากคิดทบทวนถึงวันที่ท่านได้อธิษฐานไว้ที่หน้าธรรบนเขาสิกิริยาว่าหากท่านมีบุญวาสนา ขอให้ได้พบนารีผลในเมืองไทยภายในสามวันหรือสามเดือนหรือสามปีบัดนี้ท่านก็ได้มาพบแล้วนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็สามเดือนพอดิพอดีท่านศรัทธาติดสาพูดไว้ไม่มีผิดว่าท่านจะต้องได้พบในสามเดือนแต่สิ่งที่ท่านพบในถ้ำกับสิ่งที่พบในเมืองไทยช่างแตกต่างกันลิบลับกล่าวคือ สิ่งที่ท่านเห็นในถ้ำนั้นสวยสดงดงามหาที่ติไม่ได้ทว่าสิ่งที่อยู่ในพานตรงหน้าท่านกลับหาความงดงามไม่ได้เลยทั้งที่เป็นสิ่งเดียวกันแวบหนึ่งของความคิดท่านก็เห็นความเป็นอนิจจงปรากฏชัดอยู่ในร่างเล็กๆสองร่างที่นอนขดตัวเข้าหากันมองเผลๆ คล้ายทารกชราเพราะตัวเล็กกว่าทารกแรกเกิดแต่ผิวพันธ์เหี่ยวย่นไปทั้งตัวไม่หลงเหลือความงดงามไว้แม้แต่น้อยสมภารท่านได้นารีผลนี้มาจากไหนท่านถามทายกนารีผลนารีผลอะไรครับหลวงนาะในสำริจรู้สึกผิดหวัง เมื่อได้เห็นมรดกของบิดาสมภารวัดปา่าม่วงจึงต้องเล่าเรื่องราวให้คนทั้งสองฟังว่านารีผลเป็นชื่อต้นไม้ในป่าหิมพานผลของมันจะไม่เหมือนกับผลไม้ทั่วไปคือจะเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามมากขนาดเท่ากับสาวรุ่นอายุ 15-16 ผิวสีทองเหมือนผิวมะปรางสุก แต่ไม่มีกระโดกตอนหล่นจากต้นใหม่ๆพวกฤาษีและคนทันจะมาเก็บไปเสพสังวาสครั้นนานเข้าก็จะหมดสภาพคือค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหมือนลูกโป่งแฟบขนาดก็จะเล็กลงเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละท่านเล่าคร่าวๆถ้าเช่นนั้นพระเวสสันดรก็เป็นเรื่องจริงสิครับ ถ้ายกตั้งข้อสังเกตจริงอย่างไม่ต้องสงสัยสมัยอาตมาเป็นเด็กอาตมาก็ไม่เชื่อตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าจริงตามที่พระท่านเทศทุกประการพระพุทธเจ้าเราช่างยิ่งใหญ่เสเลื่อกเกินศาสนาของเราช่างอัศจรรย์นกนะอาตมาภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานับเป็นโชคอันดีเป็นลาบอันประเสริฐของอาตมาโดยแท้ท่านพระครูพูดอย่างปิติแล้วมันเกี่ยวกับการตายของหลวงพ่อผมอย่างไรนายสัมฤทธิ์ยังกังขาเขาคิดไม่ออกว่าซากทารกหิวเหี่ยวสองคนนี้จะเป็นสาเหตุแห่งการมรณภาพ สม น, นั่นสิไหนโยมลองเล่ามาสิอาตมาเองก็อยากรู้สมภารวัดป่ามะม่วงเห็นชอบด้วยทายกเกิดอาการกล้า ก, ก, กลัวอยากเล่าก็อยากเพราะเขาเองก็สงสัยมานานถึงสามปีแต่ถ้าเล่าแล้วต้องตายเหมือนสมภารตุเขาก็จะไม่เล่าแม้จะอยู่ในไวัยไม้ใกล้ฝั่ง หากเขาก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่ไปจนช่วงกลปเาวสารนั่นแหลเล่าไปสิโยมสมภารวัดป่ามะม่วงเตือนเมื่อเห็นเขาอย่างลังเลท่านกลับผมไม่สบายใจผมกลัวเสียงที่พูดค่อนข้างสัน่นโยมกลัวอะไรดูเหมือนท่านพระครูยิ่งสงสัยหนักขึ้น กลัวตายครับผมยังไม่อยากตายแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเล่าให้ท่านฟังแล้วผมจะต้องตายเหมือนท่านสมภารผมจึงอยากขอความมั่นใจจากท่านถ้าท่านสัญญาว่าเล่าแล้วผมจะไม่ตายผมจึงจะเล่าท่านพระครูมองหน้าทายกและรู้ว่าเขายังมีอายุยืนยาวต่อไปอีกหลายปีจึงให้สัญญาอาตมารับรอง โยมยังจะอยู่ไปอีกนานยังไม่ตายง่ายๆหรอกเล่าไปเถอะอ้อแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านารีผลในผานนี้จะมาทำให้โยมต้องตายจริงอยู่นารีผลเป็นผลไม้ไกายสิทธิ์ที่ไม่เหมือนผลไม้อื่นๆพระในถ้ำบอกอาตมาว่านารีผล สามารถร้องรำทำเพลงได้แต่ไม่ทำอันตรายใครเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวขอให้สบายใจได้ถ้อยคำของสมภารวัดป่ามะม่วงสร้างกำลังใจให้กับทา ย, ยกเป็นทวีคูณเขาจึงเริ่มต้นเล่าเมื่อสามปีที่แล้วขณะที่ท่านสมภารกำลังดูแลการก่อสร้างพระอุโบสถอยู่นั้นก็มีกราาชายนายหนึ่ง เนื้อตัวสกรปรกผมเผ่ายาวรุงรังเดินเข้ามาหาและขอพักที่วัดเจ็ดราตรีแกไม่มีสมบัติพระสถานอะไรนอกจากย่ามละวะสะพายบ่ามาใบหนึ่งผมและกรรมการวัดเห็นท่าทางแกไม่น่าไว้วางใจจึงบอกสมภารว่าอย่ารับไว้แต่สมภารท่านไม่เชื่อจึงให้กระทาชายผู้นั้นไปพักที่กุฏิของท่านพวกผมพากันไม่พอใจท่านสมภารเลยประท้วง ด้วยการไม่จัดหาอาหารมาให้ตาคนนั้นคิดว่าเมื่อแกอดข้าวอดน้ำก็จะหนีไปเองพวกโยมใจร้ายขาดเมตตาไม่สมกับเป็นชาวพุทธเลยท่านพระครูตำหนิตรงๆครับผมยอมรับว่าตัวเองใจร้ายแล้วก็เลยกลายเป็นแผลในใจมาจนบัดนี้ว่าการที่ผมใจร้ายกับกระทาชายผู้นั้นเป็นเหตุให้ท่านสมผาน ต้องมอรณภาพหรือเปล่าที่ผมต้องกลายเป็นคนขาดเมตตาไม่สมกับเป็นชาวพุทธอย่างที่ท่านว่าเพราะผมกลัวตาคนนั้นแกจะเป็นลักของท่านสมภารความห่วงสมบัติที่ไม่ใช่ของผมมันทำให้ผมสร้างบาปให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวนอกจากแกล้งให้อดอาหารแล้วโยมทำอะไรเขาหรือเปล่าท่านพระครูซักถามเปล่าครับ แล้วแก่ก็ไม่ได้อดอาหารหรอกครับเพราะท่านสมพานนาอาหารของท่านไปให้แก่กินสมพานยอมอดแทนพวกผมเห็นเช่นนั้นก็ไม่สบายใจผมก็ไม่ทราบว่าสมพานท่านตั้งใจประชดพวกเราหรือเปล่าแทนที่ท่านจะให้ตาคนนั้นกินของที่ท่านฉั้นเหลือท่านกลับยกให้ทั้งหมดโดยท่านยอมอดใครจะทํากับอาคันตุ ก, กะอย่างนั้นเลยโยม ถ้าเป็นอาตมาก็ต้องทำอย่างที่สมภารตุทมเขาเป็นอาคันตุกะมาขอพักชั่วคราวถ้าเอาอาหารเหลือเดนไปให้เขากินเท่ากับไม่ให้เกียรติเขาสมภา์วัดป่ามะม่วงชี้แจงครับผมก็เพิ่งจะเข้าใจในที่สุดเราก็เลยต้องจัดอาหารเป็นสองที่พอชายคนนั้น อยู่ที่วัดครบเจ็ดวันแกก็ลาสมพานไปก่อนไปได้มอบสิ่งนี้ไว้ให้กับสมพานและบอกว่าท่านสมพานจะทำอะไรก็ทำเสียให้เสร็จภายในสามปีตอนนั้นท่านตั้งใจจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จเมื่อโบสถ์เสร็จท่านก็จะสร้างกุฏิกรรมฐ า, านสาสบหลังท่านก็ทำได้ภายในสามปีอย่างที่ชายผู้นั้นบอกแต่แล้วท่านก็มาดุนจากไปยังไม่ทันได้ทาบุญฉลองกันเลย พวกเราประชุมกันว่าออกพรรษาจะทำบุญอย่างมโหราณฉลองทั้งโบททั้งกุติกันมาฐานแต่ท่านสมพานก็มาด่วนจากไปเสียก่อนผมก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะนาวีผลนี้หรือเปล่าท่านพระครูพอจะให้คำตอบได้ไหมครับเขาตั้งคำถามคงไม่ใช่หรอกโยมกระถาชายผู้นั้นเขาบอกหรือเปล่าว่า เขามาจากไหนเห็นแกบอกว่ามาจากป่าหิมพานครับแต่ก็น่าแปลกนะครับท่านพระครูวันที่แกออกจากวัดไปที่ที่แกเคยนอนซึ่งมีกลิ่นสาบสางก ล, กลายเป็นกลิ่นหอมประหลาดอย่างที่พวกเราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนแกออกประตูหลังวัดไปเดียวเดียวสมภารท่านให้คนตามไปดูก็ไม่พบเสแล้วไม่รู้หายไปทางไหน ท่านพระครูพูดอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเราหอกโยมผู้ที่มาจากป่าหิมมพาลต้องไม่ใช่มนุษย์เพราะที่นั่นมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าแดนหิมมพาลเป็นแดนอัศจรรย์ เอาละอาตมาคงจะไม่พูดอะไรมากเป็นอันว่าสมภารตุท่านไม่ได้มรณภาพเพราะนารีผลและกระทาชายผู้นั้นก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่าง เ, าเราๆเขารู้ว่าสมภารจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกสามปีจึงเตือนให้ท่านสะสางงานให้เสร็จ ก็เท่านั้นเองโยมช่วยไปบอกพักพวกด้วยว่าสมภารท่านมรณภาพเพราะสิ้นอายุไม่มีใครทำท่านขอให้สบายใจได้ <amorph pieces S 2> แล้วจึงพูดกับนายสมฤทธิ์ว่าเองเก็บสิ่งนี้ไว้ตามที่ทายกบอกก็แล้วกันผมไม่อยากเก็บหรอกครับหลวงนะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร ลูกชายสมพานตุไม่อยากได้ในสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาว่าเป็นเพียงซากทารกชาราที่ไรค่าไร้ราคาไม่คู่ควรกับการเก็บรักษาเก็บไว้เธอพ่อ น, นุ่มคิดว่าเห็นแก่ท่านสมพานก็แล้วกันมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อ น, นุ่มในวันข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ ทายกพยายามพูดชักจูงไม่เห็นชายหนุ่มไม่สนใจใยดีเขาเองก็ไม่อยากได้สิ่งนี้ไว้ในวัดถึงท่านพระครูจะบอกว่ามันไม่มีพิษสงอะไรแต่เขาก็ยังไม่วางใจนะักแล้วสมบัติอย่างอื่นไม่มีหรือลุงมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นเองหรือในฐานะที่เป็นทายาิเขาคิดว่าน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ไม่มีหรอกพ่อนุ่ม ว่าที่จริงแล้วถ้ามีก็ต้องตกเป็นของวัดอย่างเช่นพระพุทธรูปโบราณที่พ่อหนุ่มเห็นอยู่นี้แต่เอาเถอะถ้าพ่อหนุ่มอยากได้จะเอาไปซักองสององลุงก็ไม่ว่าหรอกถึงท่านสมภารจะไม่ได้สั่งไว้ลุงก็จะตัดใจให้พูดอย่างไม่เต็มใจนะักอย่าเอาอะไรไปเลยสัมฤทธิ์ การเอาของสงไปไว้ในครอบครองจะเป็นบาปถ้าเองอยากได้พระพุทธรูปโบราณเดี๋ยวหลวงนาจะให้เองที่กุฏิมีมากมายเองไปเลือกเอาได้เลยแต่ของวัดอย่าได้ไปแตะต้องปลเดียวจะตายไปเป็นเปรตซิเปล่าๆท่านตั้งใจสอนทายกทางอ้อมด้วย แล้วนาริผลนี่ผมควรจะเอาไปไหมครับเขาถามเชิงปรึกษาเอาไปสิเพราะหลวงพ่อเองท่านสั่งไว้อาจมีประโยชน์ต่อเองในวันข้างหน้าอย่างที่ทายกพูดมาก็ได้หรือถ้าไม่คิดเรื่องประโยชน์ก็คิดเสียว่าเองได้ทำตามคำสั่งของหลวงพ่อเองแล้วท่านจะได้หมดห่วง ท่านพระครูแนะนํางั้นผมถวายหลวงนาก็แล้วกันเพราะผมไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมชายหนุ่มตัดปัญหาเอาเป็นว่าหลวงนารับฝากไว้ก็แล้วกันของนี้เป็นสมบัติของเองอยากเอาคืนเมื่อไหร่ก็มาเอาคืนได้ทุกเวลาสมภารวัดป่ามะม่วงสรุป เพื่อให้สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเช่นนั้นท่านนำไปวันนี้เลยนะครับถ้ายกบอกกึ่งยินดีกึ่งเสียดายด้วยอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะมีค่ากว่าที่เขาคิดมิฉะนั้นสมภารตุคงไม่สั่งเสียเขาไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเพียงเจ็ดวันท่านพระครู บ, บอกในสมฤทธิ์ว่าตกลง หลวงนาจะเก็บไว้ให้เองตามที่บอกนะจะได้หมดเรื่องหมดราวกันเสียทีถ้ายกม้วนผ้าหุ้มนารีผลแล้วจึงยกผ่านทองเหลืองประเคนท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงรับมาใส่ไวน้นนย่ามของท่านเอาละโยมไปดูแลเรื่องการสวดพระอภิธรรมก่อนแล้วกันเรียวอาจตามมา จะให้เจ้าสำริดทำความสะอาดกุฏิเตรียมไว้เผื่อมีพระจากที่อื่นมาร่วมงานจะได้ให้ท่านพักที่นี่ครับนิมนต์ตามสบายนะครับผมว่าท่านส่งน้ำให้สดชื่นซักหน่อยก็คงดีนะครับน้ำท่าเรามีอุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นก็นิมนต์จำวัดเอาแรงไว้คืนนี้ขอบใจโยม สงน้ำนั้นคงได้แต่จำวัดคงไม่ได้เพราะอาตา ม, มาไม่เคยนอนกลางวันโยมยายฝึกมาตั้งแต่เด็กๆไม่ให้นอนกลางวันท่านบอกทายกน้ําเสียงที่พูดถึงโยมยายแฝงความอบอุ่นผูกพันจนผู้ฟังรู้สึกได้แล้วโยมยายของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับทายกถาม ไม่อยู่แล้วแต่โยมยายอายุยืนนะโยมตอนตายนั่นอายุเกือบร้อยแล้วก็ไม่หลงด้วยสติดีมากเป็นบุญของแกนะครับผมเองไม่รู้ว่าจะอายุยืนได้เท่านั้นหรือเปล่าข้อสำคัญคือเรื่องหลงผมกลัวว่าจะหลงตายอย่างคนแก่ทั่วๆไปแม่ผมเองแกก็หลงตายทำอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว แถมตอนก่อนสิ้นใจยังร้องว่าแม่จ๋าช่วยด้วยทั้งที่ยายผมแกตายไปก่อนหน้าแกตั้ง2ี่กว่าปีแล้วทายกเล่าเรื่องมันดาของตนให้ท่านพระครูฟังแสดงว่าแกไม่ได้ฝึกสติไว้ใช่ไหมคนที่ไม่เคยฝึกสติเวลาตายมักหลงทุกข์ยถ้าโยมไม่อยากหลงตายก็ต้องหัด ฝึกสติเข้าไว้เคยฝึกบ้างไหมไม่เคยครับฝึกสติเป็นอย่างไรครับท่านเขาถามถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ให้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงอาตมาจะสอนให้แล้วยมจะได้นามาสอนญาติโยมสมภารตุท่านได้สร้างกุฏิกรรมฐานไว้ให้แล้ว โยมก็จัดอบรมกรรมฐานให้ชาวบ้านจะได้ทําหน้าที่เป็นทายกได้อย่างสมบูรณ์กรรมฐานมีอานิสงส์มากในโยมที่ท่านพูดมาน่าสนใจทีเดียวเอาไว้เสร็จงานท่านสมภารแล้วผมคงจะต้องไปขอเรียนวิชาจากท่านต้องไปแน่นอนเขาพูดอย่างมุ่งมัน่นดีแล้วล่ะโยมเอาละ โยมไปดูแลเรื่องการเตรียมงานก็แล้วกันทายกกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปงานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาสองทุ่มท่านพระครูเดินทางกลับวัดป่ามะม่วงพร้อมลูกชายสมพันธ์ตุนายอู่ขับรถอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อหวังจะได้ค่าจ้างอย่างงาม สมภารวัดป่ามะม่วงคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบในประเทศศรีลังกาเพลินจนลืมใช้คาถาย่นระยะทางครั้นนึกได้ว่าจะช่วยนายอูก็ปรากฏว่ารถเลี้ยวเข้าประตูวัดมาแล้วท่านถามคนขับรถว่ากี่ทุ่มแล้วนายอูยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาหากมองไม่เห็นเพราะความมืดเขาขับรถไปจอดหลังกุฏิ และจึงเปิดไฟในรถสองทุ่ม45ครับสงสัยนาฬิกาผมจะเสียไม่เสียหรอกอาอูนาฬิกาผมก็บอกเวลาสองทุ่ม45้าเหมือนกันนายสมฤทธิ์พูดอย่างตื่นเต้นท่านพระครูรู้ทันทีว่าเป็นการแสดงปฏิหารของนารีผลที่อยู่ในย่ามของท่าน